วันนี้อาตมาได้กลับมาแล้วก็พักผ่อนพายเหนื่อยเล็กน้อยยีได้โอกาสมาบรรยายธรรมะต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่าษาธารณชนว่ากลับมาแล้วด้วยแต่ว่าส่วนในงานการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษนั้นจะไว้กันทบท้ายเฉพาะกันที่หนึ่งที่สองนี้จะว่าถึงเรื่องการตอบปัญหาซะก่อนคือ เมื่อวันที่30มกราคม2567นี้จากในครวงสิทธิบทเลขที่13หมู่4ตำบลช้างข้ามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในนมัสการมายังพระอาจารย์เจ้าคุณเทพสิทธิมุคลที่เคารพด้วยเวลานี้ผมต้องการเทศทายการวิปัสสนากรรมฐาน การที่แกงอารมณ์ของวิปัสนาและอารมณ์ของสมถตกรรมฐานต่างกันอย่างไรสมมตได้สมาธิถึงไหนและวิปัสนาได้ใช้โรคนามเป็นอารมณ์กระณาอธิบายให้ระ จ, จางด้วยในที่สุดนี้ผมได้เงินมาร้อยบาทสุดแท้แต่อาจารย์จะให้สักกี่เทปเหลือไว้ลงทเทียนกลับไปให้ผมด้วยผมจะเอาไปถวายวัดเป็นธรรมทานสวัสดีครับ ถ้าแหละขอบใจมากคนยมอมตัวสึขบุบทบัดนี้จะต้เริ่มปัญหาอย่างนี้น่าสนใจถามถูกหลักถามถูกทางถามดีถามเป็นประโยชน์ถามได้เนื้อหาสาระจะขอตอบดังต่อไปนี้คือปัญหาถามถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาอันนี้เป็นปัญหาที่น่าคิดในหลักสูตรนักธรรมขั้นโัว สเัเดจพรมหาสมณะเจ้าเรียงไว้เป็นลำดับขึ้นหนึ่งเลยเรียกว่ากรรมฐานสองหนึ่งสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจสองวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาท่านกว่าไว้เพียงเท่านี้ไม่อธิบายมากไมยนักแต่ว่าในหนังสือพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้มากในพระธไตรปิฎกก็มีเรื่องสมถะและวิปัสสนาทําไปเพื่ออะไร เือให้เกิสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดแล้วจะทธรรมนยัยละนิวร์ได้ฟังละกิเลสตหาดว้วงพระองค์ก็แสดงไว้ <S 2> <S 2> ในอัตถกถ า, าท่านก็แสดงไว้มาในดีกาท่านก็แสดงไว้มาที่ในวิสุทธิมักว่ารวยละเอียดแจ๋หมดเลยว่าอารมณ์กรรฐานสมถะกรรฐานมีอย่างไรแล้วก็ในอธิธรรมปริเสตที่เก้า สุดท้ายเลยของหนังสือประโยคเก้าท่านก็ว่าไว้เลยเอียดะออเหมือนกันดังนั้นก็จะได้ห ย, ยิบยกมาบรรยายเท่าที่สามารถจะบรรยายได้เมืองแรกจะว่าถึงสมถะิฐาเสียก่อนในกันนี้กันที่สองจะว่าถึงวิปัสสนาคําว่าสมถกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานเป็นรูปายสงบใจแต่ตามตัวหนังสือแล้วท่านแปลว่าธรรมะที่ยังกิเลสให้สงบ่อว่าสมถะิะ หมายก่อนว่ากิเลสคือนิวรณ์ทั้งห้ามันมากวนใจคนธรรมะอันใดยังกิเลสทั้งหลายให้สงบแต่ไม่เสด็จขาดให้สงบเพื่อหน้าของฌานธรรมะอันนั้นคือว่าสมถะกรรมฐานธรรมะอันใดที่ยังใจให้สงบธรรมะอันนั้นก็คือสมถทะสมถะกรรมฐานนี้มีมานานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดจนกระทั่งพระเจ้าเกิดแล้วก็ยังมีอยู่ พระริเจ้าก็ได้ทรงศึกษาในสำนักอาราบบทอุทกนาบทได้รประชานอารูุปรชานแล้วจนอาจารย์พอใจอยากให้อยู่สอนกรรมาฐานเชื่อแต่พระริเจ้าเห็นว่าไม่ใช่ทางตัดรูปมรรคผลนิพพานจึงได้ต้องแสวงหาไปพบที่ปัสนาจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในเมืองไทยเหล่านี้ก็มีมากแต่คนส่วนมากแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสนาแม่พระเทล่ผู้ใหญ่ เป็นประมประเรียนหลายประโยคแล้วท่านก็ยังแยกไม่ออกท่านบอกว่าออจะเจริญอะไรก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละน่ท่านพูดให้ฟังอย่างนี้ที่เป็นสมพานเจ้า ว, วัดก็มีมากคือพูดทำนองเดียวกันอย่างนี้แต่เมื่อเราศึกษาโดยละเอียดแล้วเปล่าเป็นคนละทางคนละเส้นตัวสมถกรรมฐานนั้นมีกับวิปัสสนากรรมฐานนั้นต่างกันที่ไหนต่างกันที่อารมณ์สมถกรรมฐานมีอารมณ์สี่สิบอย่าง ยปั ส, สนามีวิปั ส, สนาภมกันเราต้องศึกษาให้รู้อันนี้ก่อน อ, อารมณ์ของสมถานามีถึงสี่สิบอย่างแต่โดยมากคนที่นิยมใช้อยู่ทุกวันนี้นะ่ะเอาพุทโธนี่อันหนึ่งสัมมาระหังนามพัทธสัมพุทโธหรือพุทโธนี่ที่ใช้กันเท่าที่ใช้ในเมืองไทยมนี่ถามๆดูแลอาจารย์ต่างๆมาอาจารย์ใช้พุทโธมาอาจารย์ใช้สัมพุทโธ มอาจาราย์ใช้สมาระหังมอาจาราย์ใช้นามพัทะมอาจารย์ใชยอิสวาสุสุสวาวีนี่ก็หายากแต่มีอยู่แค่ที่จริงอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนั้นมีทั้งสี่สิบอยา่างคือกระสินสิกกระสินเลี้งเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟลองหนึ่งปัตวีปัตวีกสินเอาดินเป็นอารมณ์คือเพ่งดินเอาดิน มาจากที่ไหนที่ไหนป็ตตามมามีวิธีรมให้มันเป็นวงกสินสีแดงพอสมควรหน่อยห่างจากตัวของเราสอกือึกสีนิวแล้วก็พานาดินดินดินลือปัวีปัตวีปัตวีปัตวิเราจได้ ว, ว, วิตตกจะยกจิขึ้นสู่ดินวิการใจจะวนรอบอยู่กับดินนั้นแล้วเกิดปีติผลลุกซู่เอกขตาม่ให้ัลุปฐมฌานแล้วจึงจะต่อทุติฌานแต่ฌานเจตุฌานปัญฌาน อย่างนี้เรียกว่าเอาดินมาเป็นอารมณ์กรรมฐานน้อยมากก็ไปฌานแต่เมื่อได้ฌานแล้วจึงจะเล่นอภิญญาให้ได้ิทธิ์ด้ฤต่างๆแต่กิเลสไม่ขาดเป็นได้พงขมไว้เฉยๆด้วยอํำนาจของฌานอันนี้ก็เป็นสมถะสองอาโปกสินเอาน้ํามาเป็นอารมณ์ตักน้ําใส่แก้วมาไว้ตรงหน้าของเราประมาณสักกว่าครึ่งสีนิ้วก็พอนาะอาโปอาโ ป, อ, าโปอันนี้ก็ทํารองรยกันเพื่อได้ฌาน สามตีโชกศิลนเอาไฟเป็นอารมณ์ขึ้นเทียนตั้งเทียนไว้เขาเรียกเทียนแตกนั่นนะก็ภาวนาว่าตีโชตีโทตีโ ช, โชไอ้พวกนี้เป็นสมถติฐานทางนั้นสีวายวกศิลนอารมณลมที่พัดใบไม้ไม่เห็นตัวลมจะเห็นใบไม้มันไหวนั่นแหละก็ภาวนาวาย و, วาย و, วาย و, วาย و, ตามใบไม้ที่ไหวอันนี้ก็เป็นสม ถ, ถาสตานเจตนาก็ให้ได้ชานนี่สมัยก่อนนะยังไงพระเจ้ายังไม่เกิด เมื่อเด็กานก็จะได้เล่นอภิญญาห่อเหินอนาคตได้สี่ห้านีลักษณินเอาสีเขียวเป็นอารมณ์ภาวนาว่านีรังนีรังสีเขียวสีเขียวนี้กัสมถะทั้งนั้นหกปีตักษินเอาสีเหลืองเป็นอารมณ์แหภาวนาว่าสีเหลืองปีตังปีตังเถิดสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองก็ต้องการให้เดชาญต่ออภิญญาแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาก็ต่อวิปัสสนาได้มิว่าถึงยังไม่ถึงวิปัสสนานะเอาสมถะล้วน เกตโลหิตกสินเอาสีแดงเป็นอารมณ์พนาวโลหิตตังโลตังสีแดงสีแดงสีแดงนี้ก็ต้องกันให้ได้ฌานเมื่อไดฌานแล้วก็ต่อทิญญาแปรโพทัตกสินเอาสีขาวเป็นอารมณ์พนาวว่าโอทัตตังโอทัตังสีขาวสีขาวสีขา ว, ขาวนี้ก็เป็นสรมถะใครภาวนาอย่างนี้เป็นสรมถาทั้งนั้นก้าเอาอากาศเจว่ า, า, อาอากาศกสินเอากา ศ, ากาศเป็นอารมณ์พนาว่าอากาศโตอากาศสว่าอากาศอากาศอากาศต้องกันให้ไดชาน เมื่อริชานแะล้วจึงจะต่อผ้าอัจฉริยะข้อสืบอาโลกัสินเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ภาวนาว่าโอภาโซโอภโซโอภโซหรืออาโลโกอาโลโกอาโลโกแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างก็ได้นี้หมดหนึ่งแต่คนไม่มากไม่ควรจะเยินเหล่านี้หรอกแต่ในตำลามีโยสองหมวดอสุภัพมีสิทธืออุทภมาตกะเอาทราบสึกขึ้นพองเป็นอารมณ์ ภ า, าวนาแบบอุตมะตะกังอุตมะตกังอุตมะตะกังก็เพื่อให้ได้ฌานเหมือนกันแล้วจะเอาฌานเป็นบาตรต่อวิปัฒนาต่อไปแล้วต่ออภิญญาต่อไปข้อที่สองวินิลักังเอาสักโซติมีสีเขียวเป็นอารมณ์ภาวนาแบบวินีลักังวินีลักังวินิลักังตรงนี้ประ้องการให้ได้ฌานแล้วฌานต่ออภิญญาอีก สามวิบุพกังเอาซากโสที่มีน้ำเหลืองไหลออกเป็นอารมณ์ภาวนาว่าวิบุพกังวิบุพกังวิบุพกังก็ต้องการให้ได้ฌานแล้วก็เล่นปัญญาต่อสี่วิจิตกังเอาซากศพิีขาดเป็นท่อนเป็นอารมณ์ภาวนาวิธิตกังวิจิตกังวิจิตกังอันนี้ก็ต้องการให้ได้ฌานห้าวิถายิตกังเอาซากสพที่สศกตัดกัดขาดรื้อไปเป็นอารมณ์ภาวนาว่าวิถายิตกังวิถายิตกังนี่ก็ต้องการให้ได้ฌาน แต่ดยมากพุกวันนี้ไม่มีใครไปแล้วดูปลาชา้าเอาซราบศพในมันหายากไปมากสายกับถังกับเผากันแล้แต่ก่อนเขาทิ้งให้ีแรง้งอิการจิตถิญ ก, ก็มีโอกาสปฏิบัติได้หอวิชิตตะกังเอาซราบศพที่ถูกสัตว์กัดกระจืดไปจายอยู่ในที่นั้นนั่นเป็นอารมณ์ภาวนาว่าวิชิตตะกังวิชิตตะกังวิชิตตะกังต้องการให้ในฌานในสัญญาเกตหัตตาวิชิตตะกังเอาทราสศพที่ถูกฆ่าตายเป็นอารมณ์ ภาวนาว่าหัตเวิสิทธะกังเตวิสิทธะกังองการให้เดชานเช่นเดียวกันแปดโลหิตะกังเอาซากศพที่มีโลหิตไหลออกอยู่เป็นอารมณ์ภาวนาล่าโลหิตะกังโลหิตะกังโลหิตะกังก้าวปุโรหะกังเอาซากศพที่มีหมู่นอนไหลออกอยู่เป็นอารมณ์ภาวนาว่าปุโรหะกังปุโรกังปุโรหะกังแม่หนอนที่มันกินหลุจระก็ภาวนาได้เจ็ดอัภิกังเอาซากศพที่เป็นโครงกระดูก เป็นารมวามน่าว่อธิกังอัติกรรมอัติกรรอัติกรรมไปหาได้ต่างโรงพยาบาลอันนี้พอหาง่ายหน่อยแต่ต้องหาผู้ปฏิบัติยากเลยมากไม่ค่อยเอาตัวงีบ้างหาดูได้ยากบังโคฝังซะบ้างบางนอกจากไปขอจากโรงพยาบาลหรือแต่กระดูกเอาโซดาวไปขัดซะไปหัวก็โลกตะมาใครมาไว้คือกุฏิเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เดี๋ยงนี้ก็พอหาได้ในหมวดที่สาหมวดอ น, นุสติมีอยู่สิบอย่าง นึ่งพุทธานุสติแระลึกถึงคุณพุทธิเจ้าโดยมากกับฌาปนาพุทโธภตโภหรือสัมมาลังก์สมังหรือสัมพุทโธสมุทโธบางท่านกับนำมำพัธธะทะนำมำพัธธะทะแต่อารมณ์อันนี้ไม่ถึงฌาดให้ได้แช่อุปจารสมาธิแต่เขามีคนนิยมมากมากไปสอนกับพระไปสอนตามนี้แม่ตมาไปเอเมริกาก็มีพระไปสอนกับพุทโภตโภตนี่แหละในนักธรรมเองไปสอนก็มีคนสนใจปฏิบัติอยู่สิบร้อยหนึ่ง สองธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมภาวนาวัตธรรมโมธรมโมแต่โดยหลักจริงๆก็สวากคาโตหกตาธรโมจนจบนั่นแหละแต่คนชยอบใช้ก็ย่อธรรมโมธรโมธรโมอันนี้ก็ได้แค่อุปจารสมาธิไม่ถึงฐานสังขานุสติระลึกถึงคงุณพระสงฆ์ภาวนาสังโฆสังโฆที่จริงก็ว่าสุปฏิปโนโจนจบนั่นแหละแต่ผู้ปฏิบัติเยอมากเอาย่อๆยสังโฆสังโฆฉท่นั้นก็จะแค่อุปจารสมาธิฐานไม่ถึง ทีศีลอาณาสติและลึกถึงศิ้นของตนที่เรารักษาภาวนาว่าศีลังเมย์บริสุทธิ์ทางศีลังเมย์บริสุทธิ์ทางสิ้นของเราบริสุทธิ์ีแล้วเนาะสิ้นของเราบริสุทธิ์ใจละเนาะนี้ก็ได้แค่อุปจารสมาธิไม่ถึงฉานไม่ได้อภิญญาห้าจารคานุสติและลึกถึงทานที่ตนบริจักแล้วภาวนาว่าจาโคเมย์บริสุทธิ์โทหรือทานังเมย์บริสุทธิ์ทางทานังเมย์บริสุทธิ์ทางทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ใจละเนอ ทานของข้าวใเจ้าบริสุทธิ์เดลแลอเนอการบริจาคของข้าวใเจ้าบริสุทธิเดลแลอเนาะอันนี้ก็เป็นสมสถะได้แค่อุปจารสมาธิไม่ถึงฌานและไม่ถึงอริย ญ, ญาณหกเทวตานุสติระลึกถึงคนธรรมที่ทําบคุคคลให้เป็นเทวดามีศรัทธาเป็นต้นภาวนาว่าไม่หั่งศรัทธาที่คนาสังวิคันตีไม่หังศรัทธาที่คนาสังวิันตีคนธรรมมีศรัทธาเป็นต้นของเราก็มีโยคนธรรมมีศรัทธาเป็นต้นของเราก็มีโย อันนี้เละวะเทวตานุสติรละลึกถึงคุณธรรมที่ให้เป็นเทวดาก็ได้แค่อุปจารลสมาธิมาถึงฌานและไม่ได้อภิญญาข้อที่เจ็ดอุปสมานุสติรละลึกถึงคุณพระในผ่านซึ่งเป็นที่ระงับที่เลืของทุกภาวนาวมัธนิ ม, มัทนโนปิปาราสมาธโยอะรยะสมุขาโตวัตถุประเทโทตันทะโยวิรโคนิรโรโคนิพานังเป็นคุณสมบัติของพระในผ่านมัฏนิมทนัมมทนโน ทำอันยังความเมาให้สว่างปีปาสเวน โ, โดทำอันกําจัดเสด็จสังคมข้าหายความหนียวอารยสมุขหัตโตทำที่เราไปตัดเได้ถึงอาไลวัตตูปัชเชโร ท, ทำที่เราไปตัดเได้จสังวัต ต, ตันนัคโยทำเป็ น, น ท, ที่สิ้นตัญหายิราโค ท, ทำเป็นที่สิ้นนาคเนโรโธทำเป็นจิตดับกิเลสนิพา น, นังหรือผลิพานอเลิกบทใดบทหนึ่งก็ได้ให้ใจเกิดสมาธิเรียกว่า อุปสมานุสติได้แค่อุปจารสมาธิทามไม่เกิดอภิญยาก็ไม่เกิดแต่คนก็ชอบจเจริญกันมารณานุสติข้อแปดแลลึกถึงความตายอาจจะมาถึงตนโดยภาวนาว่าตัตนานมารณะทวังความตายของตัตทั้งหลายเป็นของไม่หยางเยินชีวิตตั้งอัตวังชีวิตเป็นของไม่หยางเยืนอวัตตังบยามาริตตรรมเราจะต้องตายแน่มารณะประโยช์สันหนังในชีวิตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ดีตเมวะอันนี้จะตังชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเลยมะระนังนี่จะตังความตายเป็นของเที่ยงและลึกถึงความตายอย่างนี้ก็ไม่ได้ถึงฌานแล้วก็ไม่ได้ถึงมรรคลนผ่านแต่ได้แค่อุปจารสมาธิข้อที่เก้ากายคตาสติตั้งสติไว้ในกายคือพี่ให้พิจารณาอาการสามทิศมีผมขนเล็บเป็นต้นพานาเจี๊ยสละมานะคะทันตาตจ่โจต่อโจทันตานะคะหลวงเจี๊ยอันนี้สามารถ ถ, ถึงฌานได้ แล้วเอาฌานเป็นบาตรต่อไอพิญญาก็ได้ถ้าเอานเป็นบาตรต่อวิปัสนาก็ได้ก็ที่สิบอนาปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกข้อนี้ท่านจะแนกเป็นแปดในเป็นแปดในในที่นหนึ่งอนุพันธนาไในติดตามลมต้นลมอยู่ในจมูกกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่สะดือเวลาหายใจออกต้นลมสะดือกลางลมหัวใจปลายลมอยู่จมูกอันนี้เป็นสมถะต้องกันให้ได้ฌาน แล้วจกเป็นต่ อ, อภิญญาในที่สองขนานันในนับลมหายใจเข้าหายใจออกนับหึงแล้วก็สอ ง, ส, องสามสี่หา้าตั้ต้นใหม่อันนี้ก็เป็นสมถตาต้องการให้ติดชานในที่สามผู้สนานในในนี้เป็นวิปัสสนากําหนดลมกระทบหนังท้องในที่สี่ถัดปนานในในที่ห้าสัญลักขณ์ในที่หกยุติในที่เจ็ดปริสุทธิ์ในที่แปดเจสังปฏิปัฏปานในังนั้นในที่สามไปเป็นถึงในที่แปดเป็นวิปัสสนา ว่าอยู่ในจิตของสมถะเหมือนกันที่ธันวาวันนี้แต่ในนี้ถึงวิปัสสนาได้เห็นหมวดอัปปมัญญามีสี่เมตามตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาในตนแผ่เมตตาไปในสัตว์อืน่นแผ่เมตตาไปในทิศตะวันตกทิศออกทิศใต้ทิศเหนืออันนี้ได้แผ่ผานได้กรุณาความสงสารสัตยตกทุกตยิยาอยากจะช่วยคนทุกอบภาวนาจิตทั้งวัตฏายังสัตโตอาปโนอัปเทมนามะหิมมะฮาถูกฆ่าหมดใจยะ หรือว่ายดอย่อสัตย์เสตตาสัพุขุค้าประมุดฉันโตดังนี้ก็ได้นี่ก็สามารถถึงฌานได้โมทิตาความพอยินดีเมือ่อปุ่นได้ดีภาวนาว่าโ ม, มทิติวตายังสัตโตอาโหสาธุอาโหสุโธหรือภาวนาว่าสัตย์เสตตามารฐะปัจจิตจำปัจจิตโตอิทธิันโตนังนี้ก็ได้อันนี้ก็ถึงฌานโอเวทาความวังเฉยในอิทธาร่มและอนิธาร่มภาวนากรรมตกากรรมทายาทา กมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกรร ม, มังคลิตสันติกัลยาณองวาปะตกรรวาตศรัาาทธาตศรสทธาชาวิสันติบทนี้ก็สามารถถึงฐานได้นี่เรียกว่าอภัพพมภยาสี่เป็นสมถตหมวดสัญญาในหมวดทีญญ่ห้าหมวดสัญญามีหนึ่งคืออาหารเรปฏิกูลและสัญญาพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลเช่นอาหารที่ใช้บริโภคใช้เขี้ยวใช้ลิ่มเป็นตน้นพิจารณาโดยอาการ ผู้ปัญาโดยอาการสิบอย่างโดยอาการไปโดยอาการแสวงหาโดยการบริโภคโดยพิโยโดยหมักหมมโดยยังไม่ย่อยโดยย่อยยาวแล้วโดยผลโดยหลั่งไหลออกมาโดยเป็นโดยเปื่มีความพิจารณปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรรคแล้วอันนี้ก็ให้แค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอปนาจะปตุธาตัววัดานการกําหนดพิจารณาธาตุสี่คือธาตุดินผัดน้ํำผัดไปผัดลม ธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุันนั้นเป็นธาตุดินคือเป็นภายในคือผมขนเล็บขนนังเนื้อเอ็นกระดูกเกื็ดในกระดูกห่างหัวใจกับปังปือกไตปอดไซน้อ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเอ่อผาธาตุอันนั้นเป็นธาตุน้ําที่เป็นภายในคือดีสเลตน้องเลือดเนื้อมันข้นน้ําตาเปลาาิวมันน้ำลายน้ำหมูกไข่ขโมดธาตุอันใดมีลักษณะร้ อ, อ, อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟที่เป็นภายในคือไฟที่ย่างกายให้อบอุ่น ไปที่ยังกายให้ชุดลมไปที่ยังกายให้กวนกวาดไฟถือปอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุอันนั้นเป็นธาตุลมที่เป็นภายในคือลมพัดขึ้นบนบนลมพัดลบงบนตำ่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจความกําหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมกระกระชมกันอยู่ไม่เคยสัตว์บุคคลโกดตนเราเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมาฐานอันนี้ก็ได้แค่ อได้แค่อุปจารสมาธิไม่ถึงขานามวดอา ร, รูป์สี่คืออากาสาระเจริญเพ่งความว่างเปล่าไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์พภาณวาอาคาโซอนันตอากาโซนันตาาโอนนตอันนี้ต้องได้บรรลุปั้จะมาฌานแล้วจึงจะมาต่อได้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเอาเป็นอารมณ์ได้เล ย, ยข้อสองวิญญาณนั้เจริญเพ่งวิญญาณไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ภาณวิญญาณ น, นั้งอนันตังวิญญาณนังนันตัง อันนี้ก็ต้องเล่นสมถะในฌานมาก่อนแล้วจึงมาเล่นกรรมฐานบทนี้ต้องไในปัญญมาฌานแล้วาสามอาจชินญญาชนะเพ่งความไม่มีอะไรเป็นที่สุดเป็นอารมณ์ว่านับถีกินจิกหรือว่านับถีนับถีขุนยังสุนยงังยี่ิตยังดะไนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอารมณ์อรูปกรรมฐานต้องในอรูปฌานซะก่อนจึงมาต่อได้สี่เนวสัญญาณนะสัญญาชนะ เพิคนมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ภาวนาว่าสั้นตะมีตังปานิตะมีตังหรือว่าเอตังสั้นตังเอตังปานิตังทั้งนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าสมถะมติฐานทั้งนั้นสี่สิบอย่างครบแล้วนะอันใครภาวนาบทใดบทหนึ่งในจํานวนสี่ิบนี้ช่วยเจริญสมถะิฐานในจำนวนหกอย่างนี้สี่สิบอย่างนี้บางอย่างก็ไม่ถึงไม่ถึงทานนะ บางอย่างก็ไม่ถึงอปปนาบางอย่างไม่ถึงฌานบางอย่างไม่ถึงอปปนาเป็นอกระสินสิบอานาปณะสติหนึ่งก็ได้แค่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่ห้าอสุภสิบกายสติหนึ่งได้แค่ปฐมฌานตระาตาหานสามได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สโเวขาบริหารได้ฌานที่ห้าอรูปคังคังสีได้อรรถฌานสี่เพราะเมีกฎเกณฑ์ไว้อย่างนี้นะ อันนี้ว่า้สมถะที่นี่ต้องการให้ได้อะไรผลสูงสุดของสมถะต้องการให้ได้ฌานเมื่อได้ฌานต้องการให้อภิญญาคือผลแห่งการเจริญสมรรมาฐานเมื่อได้รูปรวัจจรปัจจามชาญอันเป็นบาตของอภิญญาแล้วถ้าปฏิบัติต่อต่ อ, ตอไปย่อมจะได้บันลุอภิญญาทั้งห้าคือหนึ่งอิตเทวทิแสดงฤทธิดได้สองโพสต์มีหุทิ สามกิโตปริยะยะยานติโตปริยะ ย, รยะวิชานณะรู้วรรคิดของคนอนื่นได้สีบ่บเใเนวาสานสติยานระลึกชาติในหนลังได้ห้าทฤษประจวขู่มีตาทึกนี่เรียกว่าอารมณ์สมถะต้องการให้ได้ฌานและก็จะได้อภิญญาแต่กิเลสยังไม่ถาดเหาะได้ก็ยังตกเอวิีนกนรกได้เช่นปฏิวัตทัศน์นบวนในสำนักของพระเจ้าเล่นสมถะเหาะได้แต่ผลสุดท้ายพระเทตทัศน์ก็คิดฆ่าพระเจ้า เป่งก่อนหินกระทบผวาตเทวราชตกเอาอิจินรกได้ถูกแผ่นดินสูงสมถะมีมากรโปรเจกเกอรเกิดแล้วแต่ถ้าคนฉลาดอาจจะเอาเป็นบาตรต่อวิปัสนาได้หลังเมื่อโปรเจกเกอร์อุบัติตในโลกแล้วทั้งเรว่าสมถญาณิกแปลว่าเอาสมถตกรรมฐานเป็นยานภานะนําไปสู่วิปัสนาแล้วเอาวิปัสนาเป็นทางนําไปสู่มรรคผลิพานต่อไปหมายความว่าผู้ที่เจริญสมถะกรรมฐานจนได้ฌานแล้ว เท่าฌานเป็นบาตรเจริญวิปัสนาต่อสามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าไม่จเจริญวิปัสนาต่อก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นแน่นอนผู้ที่จะต่อต้องมีความรู้ความสามารถขึ้นอย่างได้บรรลุปัจมิฌานปัจมิฌานมีองค์ห้าวิตตปิฌานปีติโสเอกะกะตาเลือดตกเป็นจิตหรือเป็นจิตระึกเป็นจิตระศึกจิตระศึกเป็นโรคหรือเป็นนามเป็นนามเกิดที่ไหนเกิดที่หะไฟวัฏโภโร หากเทวทูรุปกเป็นโรคโรเป็นนามเป็นโรคแล้วจึงจะจับโวกกับนามย้อนกข้าสู่ผัสตนะเห็นอ น, นิจจังทุกขังตายจึงจะไปสู่มะขุนลิพานได้แต่แต่เล่นสมถะอย่างเดียวไปไม่ได้ไปได้แค่พรมโลกเป็นอย่างสูงอ่าแต่มีฤทธิ์มีเลธ ม, ม, มีไในถึงเหาะได้ชานก็เสื่อมได้นะอย่าลืมว่าห่อได้แล้วจะไม่เสื่อมเช่นพอเทวทัตเนี่ยห่ะได้อก็เสื่อมพาฤทธิ์กัฎยาบทเห่อได้ก็เสื่อมเนียนน้อยลูกจิตพอสรีบุตรเห่ะได้ก็เสื่อมเพราะอารมณ์เหล่านี้มันเป็นโลกิยะ ไม่ใื่โลกลุกละมีมาก่อนพระเจ้าอุบัตต์ในโลกแล้วนี่แหละนี่เท่านี้แหละโยมที่โยมสงสัยว่าไออารมณ์สมถะมันไปยังไงวะไงก็ตอบแล้วนะเป็นว่าจบแล้วสำหรับเรื่องสมถะกรรมฐ า, านนี้ถ้าหากว่าเราจะเอามักออกผลนิพพานจริงๆก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเล่นสมถะกรรมฐ า, านให้เสียเวลาเพราะถ้าเราไม่รู้รอย่างนั้นแหละปีปีมันก็ไปไม่ได้ท่านโยคุณวัดปากน้ำหรือหลวงพ่อเนี่ยท่านเล่นมาสี่ขึ้สามปีสัมมาหังสัมมาหัง แต่ท่านก็ไม่ได้ถึงฌานหรอกตอนหลังท่านมาต่อวิปัสสนาเมื่อเล่นมาสี่สิบสามปีแล้วท่านเึงมาต่อวิปัสสนาท่านก็ได้ผลดีอย่างนี้แหละว่าทําไม่ติดอยูคือแค่พุทโธสัมมาระหังไม่ฌานเกิดไม่ได้ได้แค่อุปจารสมาธิที่ใ น, นหลักท่านแสดงไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งดังที่อธิบายมานี้แหละแต่คนส่วนมากเนี่ยก็สบายใจเพราะพุพโทพโธวัดตักันนึกว่าดีแล้วเรามาก็ติดอยู่แค่นี้ที่จะศึกษาสูงขึ้นไปอีกโดยมากไม่ค่อยสนใจกัน เอากันได้แค่นี้ก็พอแล้วกดีโยไม่เคยไม่ดีนะใช้ได้เท่านั้นตําก็เอาแท่นี้ก็ดีโยถ้าใครมุ่งจะามรรคผลนิพพานก็หาหาต่อไปจะเอาแค่นี้นะญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญถายอันเรื่องสมัทตรกรรมาฐานตามปัญหาที่โยมขวัญสุทธิบุตรได้ถามมานี้ก็ข อ, ขอจบจระย่อเพียงเท่านี้กันหนึง่งนะนะกันที่สองจึงว่าถึงเรื่องวิปัสสนา ให้โยมเข้าใจว่าความแตกต่างกันอยู่ที่อารมณ์หนึ่งแตกต่างกันอยู่ที่ตัวหนังสือสมถะเขียนอย่างเน้นสองแตกต่างกันที่อารมณ์สามแตกต่างกันที่ผลของการปฏิรัติสมถะเขียนสมถทเรียกว่าสมถะหรือ ว, ว่าทำใจให้สงบแต่กิเลสไม่ขาดแล้วว่าอารมณ์ก็ต่างกันสมถะมีอารมณ์ซี่อถิบแล้วผลที่จะได้รับก็ต่างกันคือได้ฌานและก็ได้อคิญญาตายแล้วไปเกิดกให้เกิดพรหมโลกเป็นอย่างสูงที่สุด ต่ำก็อาจจะมาสวรรค์และมนุษย์ได้นี่แหละคือความแตกต่างกันของสมถะเลยแค่นี้นะจบเลยนะตอนนี้จะว่าถึงความแตกต่างของวิปัสนาที่เนี่ยเอาสมถะเท่านี้ก็คงพอแล้วแต่ว่าเท่าที่ใช้อยู่ในประเทศไทยสมถะโดยมากใชพ้พุทโธแล้วก็นัมภัตทะแล้วก็สัมพทุทโธแล้วก็สัมมาอารหังโดยมากจะใช้อยู่แค่นี้นอกนั้นก็รู้ไม่ค่อยมีใครสนใจกันว่า ส่วนพระเนนก็ใช้เีสามาสำหรับอุปชาสอนนั่นก็คือสมัสมิมฐานแต่สอนห้าข้ออันที่จริงสามที่สองข้อมีส่วนมากจะอยู่แค่นี้นะแง่พกกลังมาสอนเรี่กว่ต TM อก็อยู่แค่นี้แค่เศษสมัติลาหลังนั้นเราจะรู้ว่าใครจเจริญสมัติปิปตนาให้ถามรลวภาวนาว่าอย่างไรภาวนาพุทโธก็เป็นสมัตาฌานก็ไม่เกิดแต่แค่อุปจารสมาธิ ภาวนาสมอางหังก็เป็นสมถะได้แค่อุปจารสมาธิภาวนาสำัำภูโทก็เป็นสมถะได้แค่อุปจารสมาธิไม่ถึงฌานภาวนาวันามะพัทธะก็เป็นสมถะคือนโมพุทธยายะนั่นเองฌานก็ไม่ได้ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นนี่ตามหลักฐานที่ท่านสแสดงไว้มีปรากฏอยู่อย่างนี้ในวิสุทธิมรรคมีในอภิธรรมปริจิตรก้าวสุดท้ายของประโยคก้าวก็มีนะ นั่งกนนั้นว่าคุณโยมปวงสิทธิบุตรที่ถามมานี้อัตมาก็ตอบแล้วและบันทึกเส็จแล้วเอาจำนายใจใ่ายแก่โยมโยมต้องการก็จะให้พระโกรดพนมส่งไปให้นะในที่สุดนี้โดยอํานาจคุณบระีรัตนตรัยขอให้โยมปวงสิทธิบุตรจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้มีดวงตาเห็นธรรมะของพระเจ้าสว่างสวัยเกิดสติปัญญาเฉลิมฉลาดรู้กแก่งเต็มตลอด พอทำคำสั่งสอนของพระเจ้าดังที่คนโยมได้ถามมาจะธรรมาภาพจะบรรยายมาสมควรจะเวลาแล้วขอยุตไว้จะเพียงท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจคทนทั้งหลายบัดนี้รายการธรรมะปฏิบัติเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีผู้ถามมาก็จะได้ตอบตอบไปเพราะโดยอาศัยคณโยมนี่แหละคนโยม ควงสุธิปุฒินี่แหละได้ถามถึงเรื่องกรรมฐานว่าสมุท tha ในวิปัสสนากรรมฐานอนะ่ะมันต่างกันอย่างไรสมุท tha ได้สมาธิถึงขั้นไหนในวิปัสสนาได้ใช้ทูปนามไปลมอย่างไรอ่ปราป่าวแล้วสมถนะ tha ขนาะต่างกันที่พันยันชนะคือตัวหนังสืออย่างหนึ่งต่างกันที่อารมณ์อย่างหนึ่งแล้วต่างกันที่ผวามของการปฏิบัติอย่างหนึ่งนี่ต่างจากวิปัสสนานนะ คือตา่างโดยปัญญาสมัตาเขียนสอโมถอเรียกว่ายังใจให้สงบจังจิตใให้สงบแต่ไม่ถึงนิพพานไปได้แค่ฌานได้อภิญญาไปนิพพานไม่ได้ถ้าเจริญสมถตาอย่างเดียวนะก็จะไปได้ตัต่อก็เรียกสมถตาญาณิสต์ตัต่อไม่ป็นก็ไปไม่ได้นี่อารมณ์ของส้มงทำนี่สี่สิบอย่างเกสินสิบอสาสวัสดิสิบอนุสติสิบ คมียาฐานสี่อารมณ์กรรมฐานสี่อาหารเรีปฏิกูลสัญญาหนึ่งจะตุทาตั ว, วัฐานหนึ่งสี่สอย่างนี้คือลงของกรรมฐานแล้วผมก็บอกไว้ชัดแนวทีนี้ต่อไปจะว่าถึงกันนีิว่รถึงวิปัสนาคำว่าวิปัสนาวิเปลวแจ้งปัจนาเปลวเห็นเป็นชื่อของปัญญาเห็นอะไรตอบย่ อ, ยอๆหนึ่งเห็นปัจจุบันสองเห็นรูปเห็นนาม สามเห็นอนิจจังทุกขังตาสีเห็นมรรคผลุพานนี่คือคําว่าิพัฒนาต่อบย่อๆถ้าตอบอย่างกลางๆวิพัฒนาปเปลวเห็นแกล้งเป็นชื่อของมันปัญญาเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์กิตขั้นสีเราวิสุทธิสีมบริสุทธิ์จิตตวิสุทธิใจบริสุทธิคิดถึงวิสุทธิเห็นรูปเห็นนามกลางขาวิตระวิสุทธิเห็นเหตุใ น, นผลของรูปเป็ น, นามข้าม้นของสงสัยเส่นได้มขามคะยานัทนีวิสุทธิมีควารู้ความเห็นอันบริสุทธิเห็นว่า ไอ้อันทางที่เป็น l ิมิตเป็นแสงเป็นสีเหล่านี้เป็นทางผิดไม่ยึดละกําหนดทายหายไปเชียวนั่นคือว่าเป็นพวกที่ไม่หลงทางแล้วปฏิปทายานัตถนาวิสุทธิมีข้อปฏิบัติดําเนินไปโดยลาดับลำดับตัณฑ์ยานสี่ถึงยานที่สิบสองเก้ายานเป็นเขตของวิสุทธิที่หกวิสุทธิที่เจ็ดยานัทธสิวสุทธิมีของโลกขยินอนมริสุทธิได้แก่มรรคสิมีโสดาปฏิมักเป็นตน้นอันนี้เรียกว่าวิสุทธิเจ ก็ตอบพิสดารวิปัสนาแปลว่าเห็นแก้งเก็เห็นปัญญาสิบหกขั้นได้รื่วิปัสนาญาณสิบหกขั้นนั่นเองอันนี้เรียกว่าวิปัสนาทีนี้วิปัสนาต่างจากสมถะตรงไหนต่างกันที่ตัวหนังสือุวิปัสนาสมถะิเขียนสมถะินี่ตัวหนังสือต่างกันแล้วผลก็ต่างกันอารมณ์ก็ต่างกันทีนี้อารมณ์ของวิปนะัสนา่ะมีอะไรมีขันธ์ท่า ท่านเรียกว่าวิปัสนาพรมหกงานแหละอารมณ์ของวิปัสนาวิปัฒนาพรมหกคืออะไรวิปัสนาพรมหกก็คือขันห้าอายสตรีสิบสองธาตุสิบแปดยินทียี2สองอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาท1ิบสองอันนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสนามีอยู่ถึง6หมวดไปกันขันห้า อายตนะสิบสองขาดสิบแปดอินทรีย์สองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทสิบสองนี่แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะทีนี้ขันห้าคืออะไรหนึ่งรูปสองวินาสามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณนี่ทะเกว่ารูปกับนามคือขันห้าฟังให้ดีนะขันหนะ้าน่ะมีห้าหนึ่งรูปได้จะร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็ก สองเวทนาได้เกิดความสบายไม่สบายเฉยสามสัญญาได้เกิดความจาได้หมายรู้สีสังขารปรุงแต่งให้เห็นว่าสบายไม่สบายดีไม่ดีห้าวิญญาณคือใจแต่ขันห้านี้มีวิธีเรียนสองอย่างเรียนอันดับตะเรียนสันดษเรียนอันดับต้องให้เข้าใจไปถึงขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารญาณแล้วขันห้าเกิดที่ไหน เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเมือเม่อไหร่เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่ น, นิน้นไดรสตายถูกต้องเย็นร้อนอุ่แข็งใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆเมื่อคันทาเสร็จแล้วอะไรเกิดธรมมกิเลสกิเลสตัวไหนโลภโทสะโมหะเกิดได้อย่างไรตาเห็นรูปดีชอบใจเป็นโลภเห็นรูปไม่ดีไม่ชอบใจเป็นโทสะเห็นแล้วไม่มีสติกำหนดรู้เห็นหนอเห็นเนอะก็เป็นโมหะไ่จะแก้ไขอย่างไรต้องมีสติกำหนดรู้รู้ที่ไหน รู้ที่ตรงที่เกิดเกิดทิฏตาก็กำหนดเห็นเนอะเห็นเนาะอยู่ทิฏตาตั้งสติไว้ทิฏฐาเกิดที่หูก็ได้ยินเนาอยิ่เนอะตั้งสติไว้ที่หูขันท่ามาเกิดทางตาหูจมูกก็ตั้งสติไว้ที่จมูกพานาว่าเป็นเนาะกลิ่นเนาเกิดทางลิ้นก็ตั้งสติไว้ที่ลิ้นพาวนาว่ารสเนอะรสเนาะเกิดทางกายก็พาวนาว่าโทกเนาะโทกเนาะเกิดทางใจกำหนดถึงัวใจคิดเนาะคิดเนอะเรียนอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้ก่อนเรียกว่าเรียนโดยสันดั ให้เข้าใจเป็นขันห้าเกิดทางตาเกิดได้อย่างไรโยมนั่งอยู่เดี๋ยวนี้โยมเห็นฝาบ้านไห ม, ไมเห็นกําแพงไหมเห็นประตูไหมถ้าเห็นขันห้าเกิดแล้วยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรู ป, ประคันประตูหน้าต่างอนะสีขาวสีเหลืองสีแดงของประตูหน้าต่างของบ้านของกําแพงที่โยมมองเห็นนั่นเป็นตลับตาของโยมนี่เป็นรู ป, ประคันได้หนึ่งขันแนยในขณะที่ตาเห็น เมื่อเห็นแล้วโยงรู้สึกสบายหรือไม่สบายถ้าใครสบายก็เป็นสัญญาเป็นเวทนาขันถ้าใครรู้สึกไม่สบายก็เป็นเวทนาขันฉันรู้ใครรู้สึกเฉยเฉยก็เป็นเวทนาขันมันมีทานั้นแหละแล้วเราจําได้วันนี่เป็นขันท้าเราจําได้วันนี้เป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นวัตูหน้าต่างนั่นสัญญาขันแต่เมื่เห็นเสื้อผ้าปรตูหน้าต่างรถที่เห็นนี่ดีหรือไม่ดีงามหรืองามนั่นสังขารขันผู้ที่เห็นนั่นวิญญาณคือกิจไม่ใช่ตา แต่โลกว่าตาเห็นแต่อันที่จริงตาไม่เห็นหรอกอคนตายมีตาแต่ไม่เห็นเพราะขาดปิญญาคือคิดอันที่แท้ในใจเป็นคนเห็นธนู ป, ประมาเหมือนพ่อกับแม่พ่อกับแม่เอาโหวคอยผูกปโนหนตายนาทางโน้นแล้วพากันมาคานอาหารที่กระท่อมน้อยปลายนาทางนี้เ้าเรียกว่าเสียงนาแล้วก็ กัวัวควายไว้ที่โน้นปลายนาทางโน้นแต่เชือกมันขาดเมื่อเชือกวัวขาดพ่อแม่กําลังทานอาหารก็บอกลูกลูกวัวขาดวัวขาดอะไรขาดโยมเชือกขาดไม่ใช่วัวขาดถ้าวัวขาดมันก็ตายแต่เราเรียกกันโดมโวมาอย่างนั้น่ะหรือเอาง่ายๆเป็นวัดวันธาตุบวชนะาเอ้ยวันนี้วัดธาตุบวชหน้าอันที่จริงวัดไม่ได้บวชหรอโยมมาบวชอุปชามบวชให้แต่เราก็เรียกอย่างนั้นรู้กันโดยพุทธใน อานนี้ยังไม่ละเอียดแต่เรียนปฏิบัติเรียนละเอียดกว่านั้นตาเห็นโรคั้งหนึ่งขันห้าเกิดแล้วตรงไหนเป็นโรคตรงไหนเป็นเวทนาสัญญาขันอินญาณเรียนให้ละเอียดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเรียนโดยอันดับอ้าตาหูหูได้ยินเสียงข้างหนึ่งขันห้าเกิดหรือยังเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปเสียงกับหูเป็นรูปตรงไหนเป็นนามได้ยิน ตรงไหนเป็นเวทนาอ่าเมื่อได้ยินเสียงแล้วรู้สึกสบายหรือไม่สบายนั่นเป็นเวทนาขันจําได้ว่าได้ยินเสียงพระนี่สัญญาขันแต่งให้เห็นว่าเสียงนี้หนวกหูเลไม่ไือหูพระเรือไม่พระนั้นสังขารขันพูดที่ได้ยินแว่แวๆนี่ยินยานคือกิ่นคบห่าพอดีตาหูจมูกเหมือนกันจมูกได้ก ล, ลิ่นหอมกลิ่นเหม็นขันท่าเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปกลิน่นกับจมูกเป็นรูปผู้ที่รู้กลิน่นเป็นนาม ถ้าขยายเป็นกันหน้าก็อนกลิ่นกับจมูกเป็นรูปเมื่อรู้กลิ่นแล้วมันมีหอมมีเหม็นอ่าและสบายไม่สบายนั่นแหละเวทนาจําได้เป็นสัญญาแต่งเห็นว่ากลิ่นนี่ดีไม่ดีสังขารผู้ที่รู้กลิ่นวิญญาณลิ้นได้รสก็เหมือนกันลิ้นกับรสเป็นรูปเมื่อรู้รสแล้วสบายใจเวทนาจําได้สัญญาแต่งเห็นรสนี่ดีไม่ดีสังขารผู้ที่รู้วิญญาณ ต า, ายของเราถูกต้องนั่งอยู่เก้าอี้นั่งอยู่ที่นอนขันท่าก็เกิดตรงไหนเป็นรูปขันท่าก็ก้นของเรานในไหนละ่ะกับเก้าอี้กับอาสนะที่โผกกันในไหนเป็นรูประขันแล้วเมื่อถูกแล้วรู้สึกสบายไม่สบายเฉยนั่นเวทนาขันและจําได้ว่ากำลังถูกเก้าอี้ถูกที่นอนสัญญาขันแต่ไงเห็นว่าถูกอย่างนี้ดีเลไม่อยู่สังขรารขันพูดที่รู้ถูกวิญญาณเครืจิตมื่อก็ครบหาขันพอดีพอดี แม่เวลาเรานึกถึงต้นมะขามจะน้ําหลวงนึกถึงที่ไหนก็ตามนึกถึงบ้านนึกถึงรถรกถึงนาสมมติว่านึกถึงต้นมะขามนั่นแหละต้นมะขามกับหัวใจเป็นรูปเมื่อนึกถึงต้นมะขามสบายใจมันงามนั่นพิธนาขันสัตว์ู้เขาตัดกรองกองไม่ดีเลยทุกข์ใจสายไฟไปตรงกันว่าไม่ตัด่ทำไมเอาสายไฟเลียกซะไปตัดต้นไม้มันก็ไม่งามนะอย่างนี้เขาเรียกว่าทุก ขึ้นก็เป็นเวทนาขันจําได้ก็เป็นสัญญาขันแต่งเห็นว่าดีไม่ดีทำอย่างนี่ยสังขารโคตที่เนิบได้น่ะวิญญาตมันก็ครบพอดีพอดีแล้วขันห้านะที่ียกว่าขันห้าเกิดที่นันอานิจจังทุกขังตาก็เกิดที่นั้นดังนั้นวิดาศานาจึงเอาขันห้าคือโรค ก, กับนามไปลองโรค ก, กับนามนี่เป็นตัวทุกขสัจจะของจริงคือก่อนทุกขันทั้งห้าย่อลงมาเหลือสองคือโรป ก, กับนามโรคคงไว้ เวทนาสัญญาสั้งขานสามขันนี้เป็นนามเป็นเจิตสิทวิญญาณเป็นนามจิดขันห้าย่อก็เหลือสามหนึ่งรูปสองนามสิทธิ์สามนามจิตย่อให้สั้นในแนวปฏิบัติก็เหลือสองคือรูปกับนามรูปคงไว้นามจิตสิทกับนามจิตย่อเข้ากันเป็นหนึ่งเรียกว่านามขันห้านี่วิปัสสนาเอาขันห้าเป็นอารมณ์คือรูปกับนามนี่โดยยอด่อโดยขยายก็เป็นรูปนามเจทสิ์นามจิ ต, ตเป็นสามขยายออกออไปเป็นห้าเป็นรูปเวทนาทั้งขานันวิญญาณขยายออก เป็นร้อยหกสิบนี่ตัวทุกขศารูป ก, กานามันเป็นร้อยหกสิบนโยมนะอาจจัดยางไงลนะ่ะโลกจจิตแปดสิบเอ็ดดวงนี่เป็นพุทธสัตว์เว้นโลกรจิตแปดแล้วเกเทิกห้าสิบเ็ดวงเป็นพุทธสัติ์เว้นโลภะเกเิกหนึ่งดวงโลภิจิตแปดเป็นพุทธสัตว์ก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบนี่แหละตัวทุกข์ละเนี่ย รวมเป็นหนึ่งร้อยหกสิบนี่เป็นตัวทุกขศัพ์จักรร้อยหกสิบก็ย่อลงมาเหลือห้าคือขันห้าย่ออย่างไรโลจีกิตแปดิบเอ็ดดวงเป็นวิญญาณขันเจตฤีห้าสิบเอ็ดเอามาเป็นเวนาขันหนึ่งเอามาเป็นสัญญาขันหนึ่งเหลือสี่สิบเก้าเป็นสังขารขันรูปที่แปดเป็นรูปขันร้อยหกสิบก็อบแต่ละาคน้นแบบกกรุกไปเท่านี้ต่ย่อแล้วเหลือขันห้า โดเจ้าจึงปรัสสังคีตเป็นปัญกุ ป, ปัทานคันธาทูกขาอนคุกมันเกิดกองทุกมันเกิดเขาพ อ, อยึดมันขันทาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแต่ย่อดห้าลงมาเหลือสาหนึ่งรูปสองนามจิตติสิกสมนามจิตยอดสามเหลือสองคือรูป ก, กับนามรูปกองไวนามจิตกับนามจิตติจยอเขึ้นเป็นหนึ่งเรีย ก, กว่านามนี่แหละโยอะโมอารมณ์ของวิปัสสนาคือรูป ก, กับนามย่อเลยเหลือเท่านี้โยมถามว่าและวิปัสสนาได้ใช้ ลูกน้ําเป็นอารมณ์มาแหละนี่แหละใช้อย่างนี้ที่รูกน้ํามันก็เกิดทางตาหูจมูกเิ่นใจใจเพราะฉะนั้นเกิดในตัวของเรานี่มีทางนั้นแหละพะฉะนั้นจึงต้องกําหนดตัวของเราคือรูปกับน้ำํำตายกับใจนี้่เป็นอาร ม, มษษณ์นิยตปรัชนาเมื่อกําหนดแล้วจะได้อะไรล่ะเป็นเดินวงกลมขวาแยางเนอะายอย่างไหนนี่กำหนดรูกกับน้ําขาขอที่กล่าวเป็นลูกใจที่รู้เป็นน้ํา สายอย่างหนอหาสายทกล้าเป็นลูกใจทรู้เป็นหนามนี้คือตัวทุกข์ัตจักของจริงคือก่อนทุกก่อนทุกอ่อนนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดรู้จึงให้กําหนดขวาย่างน้อสายอย่างหนอหรือของ น, อยยน้อยุบหนอเมื่อกําหนดต้องพร้อมในองค์สามหนึ่ ง, งอาตาปีตั้งใจสองสติมามีสติคอยจ้องสามสัมมาโมมีสัมมัญคือปัญญครราคอยจับเมื่อได้องค์สามอย่างนี้กิเลสจึงจะขาดพองน้อกิเลสขาดไปสิ้นท่า ยกนอจิเลขาดไปจิตชาติเพราะอะไรเพราะมันได้องค์สา ม, มเมื่อได้องสามจิเลก็ขาดนี่เรียกว่าวิปัชนาต้องการละจิเลตัญหาอแล้วก็ต้องการเกิดปัญญาปัญญาจึงจะละจิเลตัญหาได้ปัญญาที่จะเกิดจากการเจริญวิปัชนานี้มีถึงสิบหกข้อหรือสิบหกขั้นหนึ่งนำ ม, มาลู ป, ปักปริเคติย่างเมื่อกําหนดไปแล้วจะแยกรูปกกนามออกจากกันได้ ขึ้นพองกับยุบเป็นคนละอันใจที่กัหนดพองกับใจที่กัหนดยุบเป็นคนละใจนี่แหละว่าแยกรูปป็นนามสองปัจจ ย, ยะรู้เหตุหรือผลของรูป็นนามที่เราอยากจะไปเที่ยวสวนจตุจักรใครเป็นคนอยากไปใจใครเป็นคนขึ้นรถใครคนเดินรูปใครก่อนกันใจก่อนโรคใคีหลังอย่างนี้เรียกว่ารู้เหตุหรือผลของรูป็นนาม สมสัมมสนญาณที่จารณารูปนามเป็นอนิจจังภูขังนักตาเกิดในมิตรเกิดแสงเกิดสีกันมาสินตายานนั่งไปเห็นเทวดานั่งไปเห็นพระพุนิจ้านั่งไปเห็นปารหันนั่งไปเห็นป่านั่งไปเห็นเทวดานั่งไปเห็นคนตายนั่งเป็นหิ้วหัวขาดนั่งไปเห็นเสือจระเข้นั่งไปเห็นเล็กรัตตุรี่ต่างๆนี้เขาเรียกว่ายาณที่สามเป็นสัมมาสัญาณอยู่ในขีดสมมติทาริสุทธิ์ที่ก่อยเิสุทธิ์ทีท ที่หมัคคามัคคะยานัตตะเนสุทธิโลหุนทางผิดหนทางถูกอันนี้มันเป็นทางผิดแต่เป็นทางถูกกองกำลังเห็นหนอะให้หายไปเจ๊นี่เขตสมุทะญานหนึ่งสองสามนที่สี่อุทยัพยานเห็นรูปนามกฎดับอันนี้เป็นดีปัสนาเริ่มตรงนี้ญานที่ห้าพังยานเห็นเฉพาะคาำดับไปของโลกนามฝ่ายเดียวญานที่หกพยายานเห็นรูปนามน่ากลัวยานที่เจ็ดอาตินวะเห็นทุกเห็นโทษขอลบในนาม ยานที่แปดนี้พิทยานเบื่อหน่ายไม่อยากมีรูปมีนามยานที่เก้ามุนกิโตกรรมยตตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นจากพูดเลยนามเขาเรียกว่ายาณมุนเสือ้อถึงตรงนี้พอถึงยานที่สิบปฏิสังขายานใจแข็งแ ข, งขง็งตั้งแต่จริงปฏิบัติจริงยานที่สิบเอ็ดสังขารู ป, ปีขยานถึงยานนี้สบายเพลินเวทนาไม่กวนที่สองอนุโลมยานเห็นอริยสัจสี่ขั้นเก้าถึงเก้าเปอร์เซนต์เห็นก็แต่นักษณ์ร้อยเปอร์เซ็นต ในยันที่สิบสองงานที่สิบสามโคตรระพูยานน่วงนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตถึงนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตน่วงนิพพานเขาเรียกน่วงยังไม่ถึงแท้ไป้ายเราเอาสารไปถวายพระเจ้าเป็นดินเห็นแล้วแต่ไม่ได้ถวายหรือเหมือนเราชงกาแฟเอาช้อนตักมาชิมดูนิดนึงรู้แต่รสกาแฟเป็นไงแต่ไม่ได้ดื่มอึกหมดทั้งแก้วเลยอันนี้เหมือนกัดไม่ไหวดื่มนิดเดียว เขาเรียกว่าโคตรระภูยานม่วงนิพพานไปรมขณะจิตเดียวเท่านั้นขณะจิตหนึ่งก็นี้เดียวนะนิสิติตขณะจิตโมนีสิติตขณะจิตตักมาหนึ่งจะมากแค่ไหนนั่นเรียกว่าหนึ่งขณะจิตนะยกตัวอย่างหยาบๆพอถึงยานที่สิบสี่มัคคยานที่เละขาดตรงนี้ พอถึงตรงนี้เราสติปัฏฐานสี่สมัมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสีอินทรี่ห้าพระหา้าโจงเจ็ดมรรแปดเข้าพร้อมกันหมดเลยนี่แหละกิเลสขาดตรงนี้เมื่อถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมมรรคผลนิพพานมีหรือไม่ตายแล้วเปิดต้องถึงตรงนี้คนส่วนมากทุกวันนี้แค่ยานที่หนึ่งก็ไม่เคยเกิดเลยแล้ชอบไปวิพาววิจารสู ง, สงเหนือสมองโน้นนี่เก็เป็นนันว่าสงสัยขลองใจใช่ อาตมาไปที่รัเซียเองกีริสประเทศอเมริกาอมีพวกแพทย์ผู้หมอเยอะสงสัยอย่างนี้เนี่ยเสียสงสัยอิทัปทิปฏจยาบ้างโอ้ยอยไปสงสัยสูงหนักเลยเอาแค่กันท่าดูสิถามขันท่าต่อก็ไม่ได้เนี่ยก็ไปสงสัยเรื่องมรรคเรผล อ, องนิพพานใช่ยานหนึ่งก็ยังไม่เกิดจะไม่ให้สงสัยอย่างไรก็เป็นธรรมดาอันนี้เอาปริยัติไปพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ไม่ได้หรอกยากโยมเอ้ย เรื่องมรรคเรื่องผล น, นิพพานเป็นเรื่องของปฏิบัติและจะเอาปริยัติแค่นิดๆนหน่อยๆประโยคน์ก้าวก็ไม่ได้นักธรรมตีโทเอกก็ไม่ได้และจะไปวินิจฉัยเรื่องมรรคผลนิพพานวินิจฉัยไม่ได้อ่ามันห่างกันฟ้ากับดินทีเดียวเลยรั้นโปรตจำไว้เถอะเพื่อตามสมเด็จพ่อเราก็พอแล้วละดีแล้วอ่าจะพิพูตรจริงๆเขาเหียสู่โดยกันปฏิบัติพระเจ้าตรัสรู ต, ต้องถึงตรงนี้เรียกว่ามัรคขยานถ้าใครถึงตรงนี้เรารับรองเลยพระองค์รับรองเลย เสกโผประเด็นวิเศษสติจมลูกันจะอิมังสัตถิวังังใครหนอจะพิสูจน์ได้ว่ายมมารโลกอเบญโลกหนึ่งใครจะพิสูจน์ได้นรกสวรรค์นี่แหละพระองค์แก่ไปเลยเสกโผปริเด็นวิเศษสติพระเศคารคลอัตถาแก่ชัดต่อไปยิ่งโสดาปิมักขทั้งอัตถิขตวสัสตวีโสเสโผลพระโอคนเจ็ดจำพวกนับตั้งแต่พระโอคนผู้ตั้งยในโสดาปิมักเป็นต้นจึงจะพิสูจน์ได้ไงมันหลักมีอย่างนี้แต่คนทุกวันนี้ ความรู้แค่นี้เดียวก็จะเป็นภาคีจาัาทสวรรค์นรกมันมีเขียนถือให้วัวกเอาขนมหวานเอาขนมหวานมาหลอกปิดบังโหยน่าเห็นใจและนาสงสารที่มีความสิ้นคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตัวมิจฉาทิฏฐิยังอยู่ในสมองยังไม่แล้วออกก็จะออกโดยมรรคยานตัวนี้จึงเป็นเีตุเยคนสงสัยผู้จะหายสงสัยก็ต้องประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือวิปัสสนาญาณที่สิบสี ยานที่สิบห้าผลเลียนมีนิพพานเป็นอารมณ์อุปมาง่ายๆเหมือนไฟมันไหม้ขอนไม้อยู่ขอนหนึ่งเราเอาน้ําไปดักมันก็มอดแล้วไม่ลุกลามต่อไปอีกแต่ไอายุนยังอยู่เราต้องเทราดเข้าไปอีกถังหนึ่งมันจึงจะเย็นนีนิพพานก็เหมือนกันถึงครั้งแรกกิเลสมันไม่เกิดดีแหละแต่มันยังอุ่นนิดๆอยู่ต้องครั้งที่สองผลเลียนเกิดขึ้นสองกนาคิตสามกนาคิต นันแหละกิเลสมันเย็นพลัญาณไม่ได้ดตัดกิเลสแต่ไปช่วยให้มันเย็นลงไปอีกเท่านั้นแต่เป็นโลกุตะระมีนิพพานไปโรมนะข้อที่หกปจัจจเวกขณัญย้อ น, นกลับไปพิจารณากิเลสทิละทีิเหลือและมรรคนิพพานที่ตรงผ่านมาถ้าปริยัตไม่ถึงก็แค่ว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรไปง่วงนอนหรือเปล่าเท่านี้เป็นปจัจจเวกขณญญยประยัตถึงแล้วจะต้องพิจารณาเออหมดที่นี้กิเลสตายวปกี่ตัวออ โลภะแปดตายไปสี่นะโทสะสองไม่ตายโมหะสองตายไปหนึ่งคือวิสีขาท่านพุทธนาอย่างนี้ของท่านพิญญาจิริติละจิริตที่เหลือพิจิลามัคพิจารพนพิจารณิพานนั่นประหยัดถึงถ้าประหยัดไม่ถึงก็จะเอิจเราเป็นอะไรไปบ่คคลห่วงนอนหรือเปล่าก็ได้แค่นี้แหละนี่เรียกว่าปัจเจกคณาญาณมีสิบเก้าของพระโสดาบันทาของพระสกิรคาห้าพระนาคาห้าพระอรหันมีสี่ถ้าจริงจึงมีสเพราะท่านเิลีติเหลือไม่มี จึงต้องเหลือสีก็เป็นปัจจัยขณยานิบเ1้านี่แหละท่านสาธุชนผู้ใจบุญนลายเรียกว่าวิปัชนายานนี้คือผลของวิปัสนาโดยวิปัสนากรรมสมรติาต่างกันตรงไหนต่างกันที่หนังสืออย่างหนึ่งต่างกันที่อารมณ์อย่างหนึ่งต่างกันที่ผลที่จะได้รับอย่างหนึ่งสมถตมีผลให้นิวรธาสงบแต่กิเลสยังไม่ขาดเหมือนหินทับญา ประมาทไปได้ยังตกอเวกีนรกได้เป็นปฏิวัติทัตเป็นต้นยังเสื่อมได้เป็นหาริตาดาบทในสำมานีน้อยลูกศิษย์ปะหากับสปะกับลูกศิษย์ภาษาไรโบรฌานยังเสื่อมได้สมถะเนี่ยในสองหดแห่งปัญญาให้ได้ฌาิคมกิริตต่างคณีวันห้าไว้เท่านั้นส่วนวิปัสสนานั้นไปลว่าเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นอะไรเห็นปัจจุบันเห็นโูกเห็นนามเห็นปัจจัยรักเห็นมรรคผลิพานตอบย่อตอบกลางๆ วิปัสนาเห็นแจ้งเห็นวิสุทธิเกตต์อบพิสดานวิปัสนาให้แจ้งเห็นปัญญาสิบหกขั้นเรียกว่าโโสเสญาตดังที่กล่าวมานี้แหลอันนี้เป็นผลของวิปัสนาต้องการอย่างนี้จงการละกิเลตัญหาจเจริญวิปัสนาต้องการให้ถึงนิพพานนิพพานเปิดดับกิเลสถึงสี่ขั้งถึงขั้งที่หนึ่งกานงานสิบหกขั้งที่หนึ่งกิเลส ต, ตายไปห้าโลภะสี่กับโมหะหนึ่งเหลือกิเลสทุกเกตัว กินี้เป็ น, นเกดสิทธิ์น ะ, ะแล้วลไปถึงนิพพานขั้งที่สองกิเลสที่เหลืเลเอเจ็อ่อนกําลังเรียกวันตโนกัระไม่ขาดถึงนิพพานขั้งที่ 3, ทสามโพสสองตายแล้วโมหะยังเหลืออยู่หนึ่งโลภะยังเหลืออยู่สี่ถึงนิพพานขั้งที่สี่โลภะสี่ที่เหลือตายหมดแล้วโมหะหนึ่งคืออุทธัจจะก็ตายแล้วเป็นว่าถึงนิพพาน 4, ทั้งสี่ขั้งกิเลสถึงจะขาดถึงจะหมด ท่านาสุวตุชนผู้ใจวุ่นายอันนี้แสดงถึงความแตกต่างกันของสมรรถะที่ปรัชนากรรมฐานให้สังเกตดูที่อารมณ์นะสมรถะนี่มีอารมณ์สี่สิบอย่างวิปััชนามีวิปััชนามพมกวยปััชนาเอาคันห้าเอาตัวของเราเป็นจริงถึงแม้วอาอาชรตนาสิบสองก็คือคันห้านี่แหละธาตุสิบแปดก็คือคันหาเห็นสีสองก็คือคันานะ อายสัตสีก็ขันท่ายอดออกมาก็คือรูป ก, กับน้ําอันเดียวกันนั้นแหละต่างกันแต่ว่าแสดงให้มนุษย์ให้มนุษย์ทั้งหลายฝักทำมนุษย์พวกใดถือรูปเป็นตัวเป็นตนพระองค์ก็เห็นอาจัตนะใช้คําว่าอาจตนะอันที่จริงก็คือขันท่าคือรูป ก, กับน้ำแต่ทำมนุษย์พวกใดที่มาฟังเทศถือนามเป็นตัวเป็นตนพระองค์นิยมเทศขันท่าเพราะว่าในขันท่านั้นมีรูปเพียงหนึ่ง มีน้ำสี่ที่เห็นได้ชัดเจนง่ายจึงต้องเทศขันท่าถ้าประชาชนเหล่าใดที่ฟังเทศฟังธรรมนั้นถือรูปเป็นตัวเป็นตนเพราะองค์เทศอายตนะเพราะในอายตนะอีสองนั้นมีรูปมากกว่าน้ำนี่ในท่าเหล่านั่นถือทั้งรูปทางนามเกือบจะเท่าเท่ากันนิยมเทศท่าสิบแปดเพราะในท่าสิบแปดรกับนามเกือบเท่ากันเพราะจะได้รู้ง่ายขึ้น อันนี้เป็นวิธีแสดงธรรมเรียกว่าพระโอาดในเทศนาโมหันยิงได้เทศอย่างนั้นข้อที่จริงก็คือรูปกับน้ํานั้นแหละเหตุอายตายที่สองธาตุสิบแปดอิรีย์สองริยสตีก็คือรูป ก, กับ น, น้ำไม่ใช่อื่นไกลจากนี้เลยะแต่เวลาอธิบายแยกออกไปคล้ายๆเป็นคุละอานคุณละยางแล้วแต่เหตุกาม์อย่างนี้ก็เปน็นอนุภาเรื่องวิปัตตนากรรมฐานี่เหตุจบแล้ววิธีปฏิบัติที่จะให้ถึงก็ต้องเดินตรงกรม ขวาอย่างเนาะสายย่างเนาะซะก่อนเดินอยกคมมีหก ย, ยะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงได้ผลไหวถ้าสุขภาพไม่ดีเหนื่อยก็ลดลงตามส่วนแต่จะให้ได้ผลดีต้องเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสมาธิจึงจะดีสมาธิดีจึงจะเกิดปัญญาในง่ายเท่าที่ทดสอบดูแล้พระวดใหม่ให้เดินสาสินั่ง30สิบได้ผลช้าแต่ถ้าเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงได้ผลไหวอันพูดที่ประสงค์จะเรียนต้องเรียนต้องมีครูอย่าไปทําเอง เอาหนังสือไปอ่านทำเองก็ไม่ได้ผลนะต้องหาครูสอนจริงๆให้ในจริงๆให้ได้รักให้ใน้ฐานอย่าสักประเดีรยมไเอาเองปรเดี๋ยวเกิดโทษเกับอะไรมื่อไหร่เกิดนักบุตรธรรมะไม่ดีไม่ได้ผลกันนักบุตรไม่ดีจริงๆต้องมีโครเหมือนเราเรียนหนังสือทางโลกแต่เพศหญิงน้อยเขาเราเรียนต้องมีครูวาอาจารย์สอนต้องเสียเงินซื้อตำรามันด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะอย่าบักง่ายอย่าบักง่ายก็ได้มักง่ายก็ได้ไม่ดีนะถ้าท่านสาธารชนผู้ใจบุญถ่ายรายการ ตอบปัญหาสมถานวิปัสสนากันนี้จบลงไปแล้วขอยิติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านาจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ภโรคภัยเจริญเหน่อยอายุวันละสุขภพละปลิภลัณฑ์ธรรมสารสมบัติตลอ ด, าดอการเป็นนิสมีดรงจิตสติมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอนภพยโบน์กล่าวคือมาพ้นอริภารด้วยกันทุกท่านเออ